พอข้าลงถนนสายเล็กๆจากอำเภอชายแดนเข้าสู่ตัวจังหวัดก็ไม่ค่อยมียวดยานพาหนะผ่านไปผ่านมาสักเท่าไหร่นักอต่นะคะรถที่ใช้เส้นทางนี้เนี่ยตอนกลางคืนส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกพืชไร่ที่ขนของขึ้นในตอนค่ำแล้วก็ออกรถในตอนดึกเพื่อให้ไปสว่างที่ตัวจังหวัดในตอนเช้า ผมได้รับคำสั่งให้ตั้งด่านตรวจบนถนนตั้งแต่ตอนบ่ายเพราะว่าได้รับรายงานจากสายว่าจะมีการขนยาบ้ามาตามเส้นทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ประจำด่านในวันนั้นนอกจากผมแล้วยังมี1ิบตำรวจโทรวิวัฒน์นนป่าเมี่ยงกับร้อยตำรวจโทสุรศักดิ์เพนพระจันทร์ผู้บังคับบัญชาของเราวันนั้นเราได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมกันเป็นพิเศษ หมวดสุรศักดิ์กำชับให้ทางสอพ อ, อ, อของเราอยู่ห่างจากที่นั่นราว15กิโลเมตรเพื่อเตรียมพร้อมไว้ในกรณีที่เราวิทยุขอกำลังสนับสนุนฉุกเฉินตั้งแต่บ่ายจนค่ำก็ยังไม่มีวิแววของการขนยาตามที่สายรายงานผมกับสิบตำรวจโทวิวัฒค้นรถทุกคันที่ผ่านแต่ก็ไม่มีวิแววของสิ่งผิดกฎหมายพอดึกเข้าถนนเส้นนั้นก็แทบจะไม่มีรถผ่านไปมาป่าสองข้างทางเงียบสงด มีแต่เสียงจั ก, กจันเรไรและมแมลงกลางคืนแสงไฟจากหลอดนีออนบนที่กั้นถนนซึ่งเราตั้งด่านตรวจรถสว่างโพลง่งท่ามกลางความมืดรอบด้านสถานีตำรวจภูธรของผมอยู่ในอำเภอชายแดนติดกับประเทศลาวหน้าที่ของตำรวจที่นี่จึงมีมากกว่าสถานีตำรวจภูธร ท, ท, ทั่วไปเพราะว่าต้องไปเกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้าสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนเสมอ กำลังของพวกเราก็ต้องร่วมมือกับทางสุลากากรในการสกัดจับการขนของหนีภาษีซึ่งก็มีอยู่เป็นประจำขบวนการขนของเถื่อนเหล่านี้ไม่ธรรมดาการเข้าจับกลุ่มแต่ละครั้งก็จะต้องมีความพร้อมเพราะพวกนี้ติดอาวุธทันสมัยกันทั้งนั้นขืนสุม 4, สุ่ม5มีหวังได้เลื่อนยศโดยมีธงชาติคลุมได้ง่าย ระยะหลังๆนี้มีพวกผลิตยาบ้าที่เข้าไปตั้งโรงงานในป่าตามชายแดนและพวกไปล่อลวงผู้หญิงจากฝั่งโน้นมาค้าประเวณีสองเรื่องหลังนี้กรมตำรวจกาชับนักหนาว่าให้จัดการให้สิ้นซากเราสามคนที่อยู่ด่านจนเกือบเที่ยงคืนทางโรงพักวิทยุมารายงานหมวดสุรศักดิ์ว่ามีคนมาแจ้งความคดีปล้นทรัพย์หมวดจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ตารวจจากโรงพักไปสอบสวนยังที่เกิดเหตุ ส่วนตัวเองจะต้องกลับไปที่สถานีตำรวจก่อนเพื่อลงบันทึกประจำวันมันคงจะไหวตัวผู้หมวดหมายถึงรถขนยาบ้าตามที่สายรายงานพร้อมกับยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกาตามปกติแล้วพวกลักลอบขนยามักทำกันตอนเย็นๆหรือว่าหัวค่ำเพื่อไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตผมคิดว่ามันอาจเปลี่ยนเส้นทางไม่ก็ใช้เรือล่องแม่น้าโขงนะ ผมคิดถึงรายงานล่าสุดเมื่อสามสัปดาห์ก่อนพวกมันใช้เรือหางยาวขนจากฝั่งลาวขึ้นที่จุดนัดพบในไร่ชาวบ้านพวกเราต้องขอกำลังเรือของหน่วยปฏิบัติงานตามลำน้ำโขงของทหารเรือไล่กวดคราวนั้นถึงกับต้องวิสามันไปหลายศพเพราะว่ามันเปิดฉากยิงตำรวจก่อน พวกชั่วช้าเหล่านี้เป็นภัยอย่างมหาันต่อแผ่นดินทําให้เยาวชนของชาติต้องตกเป็นทาสยาบ้าจํานวนมหาศาลจับได้ก็ถูกลงโทษแต่ก็ไม่เคยเข็ดหลาบปกติสายเนี้ยไม่ค่อยผิดหรือกับวิวัตรรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวว่ากลับไปดูความเรียบร้อยทางโรงพักก่อนมีอะไรก็วอไปก็แล้วกันสักตีหนึ่งหากไม่มีอะไรก็เลิกด่านได้แล้วก็ไปพบกันที่นู่นผู้หมวดสั่งการเสร็จก็เดินไปขึ้นรถที่จอดอยู่ข้างทางคืนนั้น หมวดสุรศักดิ์เป็นร้อยเวรด้วยจึงต้องวิ่งรอกผู้หมวดหนุ่มๆส่วนมากในไฟแรงทํางานกันหามรุ่งหามค่าตรงที่เราตั้งด่านคืนนั้นสองข้างทางเป็นป่าหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรการตั้งด่านจับพวกยาเสพติดโดยปกติแล้วพว ก, กเราจะไม่ตั้งด่านใกล้หมู่บ้านเพราะอาจจะมีสายของพวกมันอยู่ในหมู่บ้านคอยส่งข่าวให้รู้ตัวก่อนยิ่งดึกเท่าไหร่ เราก็ยิ่งมั่นใจว่าวันนั้นคงไม่มีรถขนของตามที่ได้รับรายงานสิบตำรวจโทรวิวัฒกับผมตกลงกันว่าจะรออีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีก็จะตีหนึ่งขณะที่เราเดินไปที่รถกระบะของตำรวจที่จอดซุ่มอยู่ข้างทางเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของวิทยุประจารถพลเราก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกละล่ำละลักมาจากข้างถนนตารวจครับมีอุบัติเหตุเสียงนั้นร้อนรน ผมมองไปทางที่มาของเสียงก็ได้พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งวิ่งมาจากทางที่ตั้งด่านตรวจจากแสงไฟนีออนตรงที่กั้นถนนผมเห็นเด็กหนุ่มคนนั้นซึ่งอายุน่าจะอยู่ในราวๆสิบ8ปีผมยาวแบบวัยรุ่นทั่วไปสวมกางเกงยีนเสื้อยืดคอกลมสีขาวใบหน้าตื่นตระหนกหมู่ครับมีมีคนเจ็บหลายคนช่วยตามหมอให้ผมด้วยครับ เด็กหนุ่มคนนั้นพูดเสียงรัวปาดเหงื่อเม็ดโตซึ่งผุดขึ้นเต็มหน้าที่เปื้อนฝุ่นผมเดา ว, ว่าคงตกใจเต็มที่รถอะไรมีคนเจ็บกี่คนผมถามออกไปตามสัญชาตญาณตรงไหนครับสิบตำรวจโทรวิวัฒแทรกขึ้นรถพิกอัพวิ่งมาจากเวียงแก่นยางระเบิดตอนลงโค้งมีคนเจ็บอยู่สี่คนห่างจากที่นี่เกือบ7กิโลเร็วๆเถอะครับคุณตารวจเด็กคนนั้นพูดแบบกระหืดกระหอบ นี่น้องมากับรถเหรอสิบตำรวจโทวิวัฒถามมองดูกันเกงขาดแล้วก็หน้าตามมอมแมมของผู้รายงานเด็กคนนั้นพยักหน้าพร้อมกับรับครับผมรีบก้าวขึ้นรถติดเครื่องยนต์ตะโกนบอกให้เด็กหนุ่มคนนั้นขึ้นไปนั่งทางกระบะด้านหลังจากประสบการณ์ผมขอให้สิบตำรวจโทวิวัฒวิทยุรายงานผู้หมวดและขอให้ส่งคนของเราไปที่สถานีอนามัยประจาอาเภอปลุกหมอจากบ้านพัก พอสั่งการเสร็จผมก็สตาร์ตรถมองกระจกหลังเห็นเด็กหนุ่มคนนั้นขึ้นไปนั่งหลังรถเรียบร้อยนั่งดีๆนะไอ้น้องผมตะโกนบอกพลางเลี้ยวรถขึ้นบนถนนถ้าทางคงเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยสิบตํารวจโทวิวัตรหันมาทางผมพร้อมบุ้ยใบไ้ไปทางเด็กหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างหลังเดินมาตั้งหลายกิโลใจมันเด็ดวะ่ะผมพูดอย่างนึกนิยมเหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วรถขึ้นไปอีกเสียงเครื่องยนต์สำลักเป็นจังหวะ ผมนึกตำหนิตัวเองว่าเวลาเอารถไปตรวจซ่อมตั้งอาทิตย์ที่แล้วแต่ก็ผัดผ่อนเรื่อยมาอย่างไรซะพรุ่งนี้ต้องเอาไปเข้าอู่ผมผ่อนความเร็วลงอย่าดับตอนนี้นะเว้ยเดินกันอ่วมแน่เลยสิบตำรวจโทวิวัฒบ่นหันมามองหน้าผมรถคันนั้นเป็นรถที่เก่าที่สุดของสถานีตำรวจเป็นที่รู้กันในบรรดาพวกเราว่ารถคันนี้มักก่อเรื่องให้เราเดือดร้อนเสมอในเวลาใช้งาน เมื่อเดือนก่อนก็ไปตายอยู่กลางป่าหนหนึ่งผมก็ต้องเดินมาตั้งหลายกิโลเมตรเพื่อตามรถไปลากกลับโรงพักผู้กองทำเรื่องของงบซื้อคันใหม่ไปตั้งแต่ปีก่อนเห็นว่าปลายปีนี้คงจะได้คันใหม่สักทีเครื่องยนต์ทำท่าสะดุดอีก 2-3 สาครั้งผมต้องชะลอความเร็วลงอีกนึกในใจว่าขออย่ายให้รถเสียตอนนี้เลยรถของเราค่อยๆ ค, คลานมาตามถนน อีก25นาทีต่อมาเราก็มาถึงช่วงที่เป็นโค้งหักศอกและยังเป็นทางลาดลงจากเขาอันตรายข้างหน้านี่ล่ละครับเด็กหนุ่มคนนั้นตะโกนมาจากกระบะหลังพร้อมกับข้อรกระจกหลังผมชะลอรถจากแสงไฟหน้ารถผมเห็นรถของหมวดสุรศักดิ์จอดอยู่ริมถนนแต่ไกลผู้หมวดคงมาถึงก่อนผมเมื่อรถของเราเข้าไปใกล้ที่เกิดเหตุผมเห็นรถปิกอัพสีแดงแตะแคงอยู่ข้างทางอีกฝากหนึ่งของถนน ผมรีบหักพวงมาลัยลงข้างทางจอดรถหลังรถผู้หมวดเปิดประตูก้าวลงไปพร้อมกับสิบตำรวจโทวิวัตที่ออกมาจากอีกด้านหนึ่งของรถผมได้ยินเสียงครังเบาๆแววมาจากในรถคันที่ตะแคงอยู่อีกฝากหนึ่งหมวดสุรสักกำลังพยายามเปิดประตูรถคันนั้นจ่าวิวัตรรีบช่วยคนเจ็บก่อนดูเหมือนจะสาหัสทั้งสองคนอาจจะไม่รอดเสียงหมวดตะกนสั่งนี่หมวดมาถึงนานหรือยังครับ สิบตำรวจโทรวิวัฒถามพลางวิ่งพลางข้ามถนนไปยังสองคนที่นอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นดินข้างรถกระบะสีแดงคันนั้นผมถลันเข้าไปช่วยก่อนหรือสองคนเดียเด๋ยวเดีๆอ่ะหมวดว่าเฮ้ยสองคนที่กระเด็นออกมานั่นอะ่ะเสร็จไปก่อนเรามาถึงแล้วล่ะรีบช่วยสองคนที่ติดอยู่ในรถออกมาก่อนเร็วสองร่างนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวใไดๆคนที่นอนอยู่ใกล้ขอบถนนมีเลือดสดๆไหลออกมาจากหูสองข้าง ผมสำเรืองดูอีกคนที่อยู่ใกล้ๆกันคอที่พับลงมาถึงไหล่ด้านหนึ่งยืนยันคำพูดของหมวดสุรศักดิ์เมื่อสักครู่ผมวิ่งเลยไปช่วยผู้หมวดที่กำลังพยายามดึงประตูรถประตูรถด้านนั้นติดแน่นเพราะว่าติดล็อกอยู่ข้างในทั้งยังเป็นข้างที่ตะแคงอยู่ด้านบนหมวดสุรศักดิ์ปีนขึ้นไปยืนอยู่บนตัวถังขาข้างหนึ่งเหยียบบนกระบาหลังพยายามดึงประตูข้างนั้นอยู่ผมปีนขึ้นไปช่วยอีกแรง ได้ดูเหมือนว่ารถจะไม่ขยับเขยื้อนเลยแม้แต่น้อยผมได้ยินเสียงครวญครางดังออกมาจากในรถพยายามมองเข้าไปแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดผมก็เลยหยิบไฟฉายข้างเอวขึ้นมาถือเปิดสวิตช่ายเข้าไปในรถมองเห็นได้ไม่ถนัดนักเพราะว่ากระจกรถด้านที่แตกรล้าเป็นฝ้าไปทั้งแผ่นแต่ก็ยังพอเห็นได้ว่ามีคนสองคนติดอยู่ภายใน คนนึงติดคาอยู่พวงมาลายัยอีกคนลงมากองอยู่กับพื้นรถติดกับประตูด้านที่ถูกรถทับอยู่ผู้หมวดกับผมพยายามออกแรงดึงอย่างสุดกำลังแต่ประตูด้านนั้นก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะขยับเสียงครางจากในรถดังอยู่ไม่ขาดผมว่าต้องงัดนะโครงตัวถังนี่เบเยิ้นครับหมวดเปิดไม่ได้แน่นอนผมฉายไฟให้หมวดสุรศักดิ์ดูตัวถังตรงขอบประตูที่โย่ไปข้างหนึ่งคงมาจากแรงกระแทกตอนพลิกคว่ำจ้า เอาเครื่องมือท้ายรถมาช่วยกันงัดเร็วผู้หมวดสั่งอ๋อครับวิวัตรบอกแล้วไงว่าสองคนนั้นเรียบร้อยไปแล้วมาช่วยกันทางนี้ก่อนเดี๋ยวรถหมอคงมาก่อนออกมาเนี่ยอัวให้เขาไปเรียกที่บ้านแล้วหมวดสุดศรศักดิ์หันไปทางสิบตำรวจโทรวิวัตรที่กําลังก้มๆเงยๆอยู่ตรงสองศพ บ, บนถนนผมวิ่งข้ามถนนมาที่รถหยิบเหล็กงัดที่ครอบยางจากใต้เบาะวิ่งกลับมาที่รถคันนั้นสอดเหล็กเข้าไปที่ขอบประตูแล้วขึ้นขยม่ม เสียงเหล็กเสียดสีกันได้ยินถนัดตอนประตูบานนั้นค่อยๆขยับออกทีละน้อยเมื่อง้างออกมาพอสอดมือเข้าไปได้เราสามคนก็ช่วยกันดึงสุดแรงทันทีที่ประตูรถเปิดออกกระจกที่รั้วเป็นฝ้าไปทั้งบานก็หลุดลงมาเสียงดังกราวใหญ่เสียงร้องครางจากภายในรถยิ่งได้ยินถนัดผมฉายไฟไปที่คนขับชายัยกลางคนถูกพวงมาลัยอัดอยู่ตรงที่นั่งจนหน้าอกยุบลงไปคอพับมาข้างหลัง เข็มขัดนิรภัยยังคงคาอยู่จากประสบการณ์ของชีวิตตำรวจที่ผ่านการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุมานับครั้งไม่ถ้วนผมดูปรลาดเดียวก็รู้ว่าร่างนั้นเป็นศพไปแล้วเสียงครางดังออกมาอีกจากร่างที่คว่ำหน้าคุดคูอยู่กับพื้นรถเสื้อยือดแดงไปด้วยเลือดจากแผลชะกันที่ศีรษะผมใช้ไฟไปทีร่างนั้นเห็นถนัดว่าคงบาดเจ็บสาหัสเสื้อสีขาวแดงฉันไปด้วยเลือดกลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นฝุ่นคลุง้ง ผูเคราะ์ร้ายคนนั้นยังหายใจรวยรินส่งเสียงครางเบาๆรีบพาออกมาก่อนเดี๋ยวหมอคงมาถึงอะผู้หมวดสั่งการสิบตารวจโทวิวัฒโน้มตัวลงไปที่ประตูรถขณะที่ผมคอยฉายไฟเสียงครางเริ่มเบาลงในขณะที่สิบตารวจโทรวิวัฒก้าวลงไปทางประตูที่เปิดอยู่ค่อยๆใช้มือช้อนศีสระคนเจ็บขึ้นพลิกตัวมาอีกด้านหนึ่งและในขณะที่กําลังจะอุ้มคนเจ็บออกมาจากรถ แสงไฟฉายของผมก็ส่องให้เห็นใบหน้าคนเจ็บอย่างชัดเจนภาพที่ปรากฏต่อสายตาเราตอนนั้นทำให้เราสองคนตกตะลึงพึงเพลิดเด็กหนุ่มคนนั้นเด็กหนุ่มคนที่ไปตามเราจากด่านตรวจรถแต่มันจะเป็นไปได้อย่างไงเด็กหนุ่มคนที่ไปตามเราก็นั่งท้ายรถมาด้วยกันแต่ว่าเด็กคนที่สิบตารวจโทวิวัฒประคองอยู่ในขณะนี้เราเพิ่งงัดออกมากับมือแท้ๆทั้งยังอยู่ในสภาพที่ตายเป็นเท่ากัน ในชีวิตการเป็นตำรวจของผมพบเรื่องแปลกๆมามากแต่ไม่มีครั้งใดที่มันพิลึกพิลั่นถึงขนาดนี้คนเจ็บที่สิตำรวจโทวิวัฒกำลังประคองอยู่ในมือที่อยู่เบื้องหน้าตอนนี้เป็นประจักษ์พยานต่อสายตาของเราอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่คนคนเดียวกันกับเด็กหนุ่มที่กระหืดกระหอบไปตามเราที่ด่านเพราะทุกอย่างเหมือนกันอย่างไม่มีผิดเพี้ยนไม่ว่าจะเป็นใบหน้าที่เรียวผมยาวปกต้นคอเสื้อยือดคอกลมที่ขาว แต่ว่าบัตรนี้แดงไปด้วยเลือดหรือกางเกงยีนที่ขาดเป็นทางที่ผมสังเกตเห็นตั้งแต่แรกผมเห็นสิบตำรวจโทวิวัตรตัวแข็งไปชั่วขณะผมนึกถึงเด็กที่นั่งอยู่บนกระดะท้ายรถซึ่งผมลืมซะสนิทตอนที่มาถึงที่เกิดเหตุเราก็ไม่ได้สนใจเพราะอารามรีบร้อนเมื่อตอนผมข้ามถนนไปเอาเครื่องมือมางัดรถก็ไม่ได้สังเกตว่าเด็กหนุ่มคนนั้นยังอยู่หรือไม่ ผมส่องไฟฉายไปที่รถคันนั้นที่จอดนิ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนที่เดิมที่ผมจอดไว้ตอนมาถึงที่เกิดเหตุขณะนี้กระบะท้ายรถว่างเปล่าไม่มีวีแววของเด็กหนุ่มคนนั้นผมกราดไฟฉายไปทั่วบริเวณนั้นไม่เห็นอะไรนอกจากป่าละเมาะที่มืดสนิทเฮ้ยมัวช้าอะไรอยู่ล่ะวิวัฒรีบเอาคนเจ็บออกมาสิเสียงผู้หมวดเร่งจ่ามัวแต่หาอะไรอยู่รีบช่วยกันเร็ว เราค่อยๆช่วยกันเอาเด็กหนุ่มคนเจ็บออกมาจากรถอย่างทุลักทุเลผู้หมวดยืนคอยรับอยู่ข้างรถพอคนเจ็บออกมาได้รถตู้ของสถานีอนามัยก็มาถึงที่นั่นพอดีคืนนั้นกว่าจะกลับถึงโรงพักก็เกือบสว่างรถยนต์ของสถานีอนามัยต้องไปส่งเด็กหนุ่มคนนั้นที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเพราะอาการหนักเกินความสามารถของสถานีอนามัยเล็กๆ คนเจ็บอยู่ในห้องฉุกเฉินได้อีกเพียงวันเดียวก็เสียชีวิตเพราะเสียเลือดมากและสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรงผมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดให้หมวดสุรศรรักดิ์ฟังอย่างละเอียดตอนแรกผู้หมวดทำท่าไม่เชื่อจนสิบตำรวจโทรวิวัตรยืนยันว่าเราเห็นทุกอย่างเหมือนกันทั้งสองคนผู้หมวดจึงนิ่งไปจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ทราบว่าเด็กหนุ่มคนที่ไปตามผมคืนนั้นเป็นใคร สิบตำรวจโทวิวัฒก็อยากรู้เหมือนผมใครรู้ช่วยบอกพวกผมเพื่อเอาบุญสักทีเถิด